อะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่องเหมือนกับร่างกายร่างกายก็มีหัวใจถ้าร่างกายปราศจากหัวใจ ร่างกายก็ต้องตายไปฉันใดพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็จะล่มสลายไปเช่นเดียวกันการล่มสลายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้อยู่ที่การล่มสลายของทวารวัตถุต่างๆ เช่นบทเจดีหรือพระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นเพียงรูปเหมือนเป็นเพียงตัวอย่างหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนภาพถ่าย ของบุคคลไม่ใช่ตัวบุคคลนะการเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นมาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเริ่มที่การตัดสรุของพระอรหันตะสมมาสมพุทธเจ้าคือการ ตัสสรุของพระส ม, มณะโกธมะที่เดิมก่อนจะมาเป็นส ม, มณะนั้นได้เป็นพระราชโอรสได้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่หลังจากที่ได้ทรงพบเทวทูตสี่คือพบคนแก่พบคนเจ็บไข้ได้ป่วยพบคนตายและพบนักบวช จึงทำให้พระองค์ทรงเบื่อหน่ายต่อการอยู่หาความสุขทางร่างกายเพราะทรงมีความปรารถนาที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงได้ทรงสละราชสมบัติเสด็จออกทรงผนวด และทรงศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ตัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพระธรรมอันประเสริฐเลิศโลกก็คือพระอริยสัจ ส, สีได้พบมรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ใดได้พบพระ อ, อริยสัจสีได้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้นั้นจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการปรากฏขึ้นของสาระที่พึ่ง องแรกก็คือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาพระธรรมอันประเส ร, ริฐที่ได้ทรงตัดสรตวเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ เพื่อที่ให้พวกเราจะได้รู้จักพระอริยสัจ ส, สีให้รู้จักมรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งของพวกเราที่เป็นที่พึ่งของจิตใจของพวกเราเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากวัตจัแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพราะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุถึงพระอริยสัจสี่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันผู้ที่ได้บรรลุตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอริยสงสาวกนี่เองนี่คือการปรากฏ ขึ้นของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าพระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้แล้วไม่ส่งประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะไม่มีพระธรรมปรากฏให้แก่สัตว์โลกได้รับรู้สัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนเพื่อบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพาน เพื่อบรรลุถึงพระ อ, อริยสัจสีได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จะทรงเป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าคือทรงตรัสรูแล้วก็ไม่นำเอาความรู้ที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอหลังจากที่พระ อ, องค์เสด็จดับขันธท่าปางนิพพานไป ก็จบไปไม่มีการสืบทอดพระธรรมคําสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้การที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกในขณะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกและผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยรรสัจสีจึงทำให้ปรากฏมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนา ปรากฏขึ้นมาได้เพราะพระพุทธศาสนานี้ปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่ได้ก็เกิดจากการที่มีการเผยแผ่พระธรรมคําสอนมีการศึกษาพระธรรมคําสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนและมีการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนี่เองอ พระพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราแล้วก็ตามแต่หัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้หมดไปเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้และพระธรรมคาสอนนี่แหละ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระาศาสดาไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้านั่นเองและผู้ที่จะนำเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มาเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็ยังมีอยู่ท่านผู้นั้นก็คือพระอริยสงฆ์คือพาอาระอรหันตสาวกทั้งหลายถ้าตาบใดยังมีพาาระอรหันตสาวกอยู่ในโลกนี้ตามนั้นยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่เพราะยังมีผู้ที่จะสามารถเผยแผ่พระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่มาถึงแม้ว่าความรู้ความสามารถในการเผยแผ่จะไม่เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้ ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ตสาวกสามารถที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พระอาจานตสาวกเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์ตสาวกแล้ว ถึงแม้จะมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะารียกไว้ที่มีจารียกไว้ในในสื่อต่างๆนั้นก็จะเป็นคําสอนที่เหมือนคําสอนตายไม่ใช่เป็นคําสอนเป็นคือผู้ที่ได้ศึกษาได้อ่านจากพระธรรมคําสอนจะ ไม่สามารถที่จะบรรลุมรผลนิพพานได้เหมือนกับการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระอาหารหันตสาวุกโดยตรงเพราะเวลาที่อ่านแล้วเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะหาคำตอบจากผู้ใดไ ด, ได้หรือเวลาอ่านจาก คำสอนที่ได้ถูกจารึกไว้นี้ก็อาจจะแปลความหมายไม่ตรงกับความหมายของผู้สอนก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็คือพาอาระอรหันตาสาวกผู้ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนแทนพระพุทธเจ้า ต่อไปถ้าไม่มีพระอาหารหันตาสาวกอยู่แล้วก็จะเหลือแต่คำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีก็เป็นประโยชน์ได้แต่จะยากกว่าการที่ได้ยินได้ฟังโดยตรงจากพระอาหารหันตาสาวกและผู้ที่มีปัญญาไม่ มากก็จะไม่สามารถที่จะได้บรรลุจากการอ่านหนังสือได้ผู้ที่จะบรรลุจากการอ่านหนังสือได้นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีปริญญามีภัญญะมีปัญญาค่อนข้างสูงดังนั้นการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปนั้น ยังต้องอยู่ที่การผลิตพระอารหันตสาวกขึ้นมาอยู่เรื่อยการที่จะผลิตพระอารหันตสาวกขึ้นมาอยู่เรื่อยก็ต้องอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนและนำเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ดังนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เองเพราะจะเป็นการผลิตพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่นอนุชนนุ่นหลังต่อไป และอนุชนรุ่นหลังก็จะได้เป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันต่อไปนั่นเองดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเราเห็นโบสถ์หรือเจดีหรือถาวลและวัตถุต่างๆนั่นเสื่อมโทรมไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นเปลือกของพระศาสนา จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในสมัยพระพุทธการก็ไม่มีเจดีย์ไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนใหม่ๆก็ท่งประกาศพระธรรมคำสอนในป่านี่เองที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็คือโคนไม้หรือเงื่อนผาหรือตามถ้ำหรือตามเรือนร้าง ไม่ได้มีโบสถ์ไม่ได้มีเจดีย์ไม่มีวิหารไม่มีวัดสวยวิจิตพิสดารสวยงามเพราะนั้นไม่ใช่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเช่นสมัยปัจจุบันนี้ เราก็คงได้ยินข่าวข่าวเกี่ยวกับการถูกพระพุทธรูปที่เราเคารพนับถือนั้นถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆบางทีขโมยก็ตัดพระเศียรไปขายให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักศาสนานำเอาไปประดับเป็นเครื่องประดับประดาตามบ้านเรือนของเขาหรือพวกที่ มีความเกลียดชังต่อศาสนาอื่นก็มีการระเบิดทำลายพระพุทธรูปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเขาไม่สามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ด้วยการทำลายพระพุทธรูปหรือถาวรและวัตถุต่างๆถ้าเขาอยากจะทำลายพระพุทธศาสนา เขาจะต้องทำลายพระอาหารหันตาสาวกทำลายการศึกษาทำลายการปฏิบัติทำลายการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าตราบใดยังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมีพระพุทธศาสนา อยู่กับโลกต่อไปเรื่อยๆเพราะพระพุทธลูกนี้เราสร้างใหม่ได้จะสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมให้วิเศษกว่าเดิมก็สร้างได้จะสร้างโบสถ์จะสร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกกี่หลังก็สามารถสร้างได้ถ้าเรามีมีพระพุทธศาสนาคือมีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาคือพระอาหลานตสาวก เพราะพระอรลันตสาวกนี้จะสามารถสร้างศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลที่มีศรัท ธ, ธาทำให้เขานี้พร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างถานวัตถุต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรมองไปจึงไม่ใช่มองไปที่การสร้างถาน ว, วัตถุ แต่เราควรมองไปที่การสร้างพระอาหารหันตสาวกุกสร้างพระอาาริยสงฆ์ให้มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆด้วยการส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่งเสริมการบรรลุมรรคผลนิพพานวิธีสัง่งส่งเสริมก็คือการปฏิบัติตัวเรานั่นเอง เราต้องเป็นผู้ส่งเสริมด้วยตัวเราเองคือเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระอรหันตสาวกแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องพระพุทธศาสนานี้จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพาน พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมหมดไปถึงแม้จะมีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรวัตถุต่างๆตั้งอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นเหมือนกับซากศพดีๆนี้เองศพที่ไม่มีหัวใจหรือหัวใจไม่ทำงานศพนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้ไม่เหมือนกับร่างกายที่ยังมีหัวใจที่เต้นอยู่ ที่สามารถทำประโยชน์อะไรต่างๆได้หน้าที่ของพวกเราก็คือให้เราเข้ามาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งกับเราเองและประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลันตสาวลกทั้งหลายได้กระทำมากันท่านก็ศึกษา คนควาหาความจริงหามรคหาผลหาพระอริยสัจสี่พอท่านปฏิบัติท่านก็ได้พบกับพระอริยสัจสี่ได้บรรลุมรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพอท่านนำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนา ที่อยากจะออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายพอเขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถที่จะหลุดออกจากวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้หลังจากนั้นเขาก็เป็นผู้นำเอาคำสอนนี้มาเผยแผร่ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเพราะผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้ว ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วนั้นไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทําอีกต่อไปไม่เหมือนกับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นนี้จะต้องมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทําที่จะทําให้ตนเองได้หลุดพ้นแต่ถ้าไปทําภารกิจที่ไม่ได้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทําทําไปมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแล้วก็ต้องทำไปจนวันตายตายแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเกิดเพื่อมาทำใหม่แต่ถ้าการกระทำนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการได้ คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเช่นการกระทําที่มีการกระทํากันอยู่ในโลกนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นการกระทําที่ไม่สามารถที่จะพาให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าการจะดับความทุกข์นั้นดับด้วยการแสวงหา ลาบยศสำาักเส ร, รสิญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรความทุกข์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่ อ, อีกเพราะไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้กระทำนั่นเอง แต่ผู้ที่ได้ทำตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทานั้นพอได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปท่านจึงมีเวลาที่จะเอาธรรมะที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะท่านไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายเพราะใจของท่านนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยบลมบัสุขคือปรมังสุขขังจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นปัญหาใจมีความสุขตลอดเวลาท่านจึงไม่ต้องไปหาลาบยศรเสรนญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายท่านจึงมีเวลา เอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อย่างพระพุทธเจ้าเองก็ทรง <c oughs> มีเวลาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สรรวโลกอยู่ทุกวันวันละสามสี่ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงสอนพระธรรมคำสอนให้แก่คาววะญาติโยมตอนค่ำก็สอนให้แก่พระภิกษุสามเณร ในตอนดึกก็สอนให้กับเทวดาทั้งหลายและในตอนเช้าก่อนที่ทรงจะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเล็งยานดูว่าวันนี้จะทรงไปสอนใครดีเป็นกรณีพิเศษคไข้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระองค์หรืออาจจะมีวาระที่จะต้อง ถึงแก่ชีวิตไปถึงแก่ความตายไปแต่พร้อมที่จะได้นับพระธรรมคำสอนและรับประโยชน์จากการฟังธรรมได้พระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นนี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญหลังจากที่ได้ส่งตัดสรุปแล้ว ไม่ได้ไปเรียลายเงินทองจากชาวบ้านจากชาวพุทธศาสนิกชนเพื่อมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆการสร้างเหล่านี้เกิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเองเมื่อเกิดศรัทธาก็ประกาศทูลขออนุญาต สร้างถวายให้แก่พระพุทธศาสนาดีเป็นการดำเนินแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ต่างจากแบบฉบับของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ที่มาบวชแล้วแทนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรมแล้วมาเผยแผ่ธรรมก็มารบกวนชาวบ้าน ด้วยการด้วยอะไรด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มาบวชมาอยู่ในพระพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชนี้มีหน้าที่มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้รับผลจากการปฏิบัติก็จะมีศรัทธาที่อยากจะทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาไปเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเร่ร่ายมาขอเงินขอทองด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ต้องมาเอาสิ่งแลกเปลี่ยนกันเช่นผลิตวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสินค้าหรือเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งล่อใจให้ผู้มาทำบุญเพื่อที่จะมาสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างกุฏิก็ดีการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นกา ร, ก, ารกระทําตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า หรือของพระอาลหันตสาบงทั้งหลายท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้โบสอยากได้เจดีย์อยากได้วัตถุถาวรลวัตถุต่างๆแต่สิ่งที่ท่านอยากจะได้หรือปรารถนาก็คืออยากจะให้พวกเราที่ยังติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดพ้นออกจากการ เวียนไหวาตายเกิดนี้เองเพราะการเวียนไหวาตายเกิดนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่เราได้รับจากการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เมื่อมาเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับแล้วนี้มันไม่คุ้มกันเหมือนกับถ้าเป็นเงินก็ได้ความสุขร้อยบาทแต่ต้องมาได้ความทุกข์แสนบาทอย่างนี้ นี่คือการความทุกข์ที่เราได้รับจากการที่มาเวียนว่ายตายเกิดกัน ผ, ผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านจึงมีความเมตตามีความสงสารอยากจะให้พวกเราผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นกัน ท่านจึงพยายามที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่โดยที่ท่านไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากจะเห็นให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุผลเท่านั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าพวกเราอยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้พวกเราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเถิดเพราะนั่นเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายต้องการจากพวกเราเพราะถ้าเราได้ทำการปฏิบัติบูบชาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง การปฏบิบัติบูชาก็คือการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังเสร็จแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับโลกได้ต่อไปอีกรพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ในโลกไปได้เรื่อยๆ ก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมกันอย่างที่ได้เป็นมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบนันนี้ยังมีการศึกษายังมีการปฏิบัติและยังมีการบรรลุธรรมกันอยู่พระพุทธศาสนายังยังอยู่กับโลกของเราแต่ ส่วนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้จะเป็นส่วนน้อยส่วนที่เป็นพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่นี้จะไม่ได้เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเสียแล้วเพราะจะเป็นไปในทางเปลือกมากกว่าไม่ได้เป็นไปในทางหัวใจทางหัวใจก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรม ถ้ามีแต่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆแล้วมีแต่พิธีกรรมต่างๆอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงหรือที่แก่นเป็นศาสนาที่เปลือกศาสนาที่เปลือกนี้จะไม่สามารถยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกับประโยชน์ที่ผู้ ศึกษาผู้ปฏิบัติจะได้รับกันอย่างนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์และอยากที่จะบูชาพระคุณทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็ต้องทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบบชาให้เราสนใจกับการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเยมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว ก็ให้น้อมนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปตามกําลังของเราที่เราไปอยู่ในขณะนั้นก่อนปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปแล้วกําลังก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเลยเมื่อสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อย มรผลนิพพานก็จะได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆนี้อย่าไปหวังหรืออย่าไปอยากให้ปฏิบัติได้เต็มร้อยเพราะจะทําให้เราท้อแท้เพราะว่าเราจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้นั่นเองขอให้เราปฏิบัติตามกําลังที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก่อนแล้วมันจะพาเราไปเอง เช่นตอนนี้เราทาทานได้มากน้อยเพียงไรก็ทำไปก่อนตามกำลังของเรารักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรก็รักษาไปภาวนาได้มากน้อยเพียงไรก็ภาวนาไปขอให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยการมีสติอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าซํำตักอย่าทัง อย่าทำแบบใจเลื่อนลอยไม่มีสติการกระทำการปฏิบัตินี้จะได้ผลจะต้องเกิดการปฏิบัติด้วยสติถ้าไม่มีสติแล้วผลจะไม่เกิดเช่นการนั่งสมาธิการจะทำใจให้สงบได้จะต้องมีสติจดจอ่อควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเ น, นื่องถ้า ยาถ้าไม่สามารถจดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องใจจะไม่สงบจะไม่เข้าไปในสมาธิได้เมื่อไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้เมื่อไม่สามารถจเจริญปัญญาก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นขอให้เราทาด้วยความตั้งใจ ทำด้วยสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากในบรรดาธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็จะไม่ปรากฏปัญญาก็จะไม่ปรากฏวิมุติหลุดพน้นหรือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่สติถ้าเรามีสติแล้ว เราก็จะสามารถที่จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้การที่จะมีสติก็คือเราจะต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราสามารถเจริญสติได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถึงแม้เรายังไม่ได้มาอยู่วัดเราอยู่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเราก็สามารถเจริญสติได้ เพราะการเจริญสติก็คือการควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นเช่นขณะ น, นี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่ก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง อ, อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้ใจอยู่กับการฟังเทศฟังธรรม อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติการฟังธรรมด้วยสตินี้จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ถ้าฟังธรรมโดยที่ไม่มีสติใจจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาสัมผัสที่หูมันจะเข้าหูซ้ายแล้วก็จะออกหูขวาไปมันจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่นั่นเอง แต่ถ้าใจตั้งใจฟังมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังคําสอนทุกคําสอนที่มาสัมผัสที่หูก็จะเข้ามาสู่ใจถ้าสามารถที่จะพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่หลงไม่ลืมจะติดอยู่กับใจต่อไปอยู่กับใจไปเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ ก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นได้นั่นเองนี่คือการฟังธรรมด้วยการมีสติการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีสติการฟังธรรมนี้ถ้ามีสติก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยถ้ามีปัญญา สามารถพิจารณาตามได้ก็บรรลุธรรมได้เช่นในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแล้วผู้ฟังนี้ฟังด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญาได้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฟังแบบปฏิบัติไม่ได้ฟังแบบจดจาการฟังธรรมนี้ไม่ควรฟังเพื่อจดจำ ฟังเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมถ้าฟังเพื่อจดเพื่อจานี้มันจะลืมจดไปกลับมาอ่านทีหลังก็จะไม่เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ฟังที่เหตุที่ผลเราเพียงแต่จดจาไปถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาด้วยปัญญา ตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจมันจะไม่หลงไม่ลืมและมันจะทำให้บรรลุผลได้เพราะผลก็เกิดจากเหตุนั่นเองถ้าเราเข้าใจเหตุแล้วเราสามารถสร้างเหตุนั้นให้เกิดขึ้นได้ผลก็จะต้องปรากฏตามมาจนเหตุที่จะทำให้เกิดบรรลุมรกผลนิพพาน ก็เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลและเกิดจากการภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญสติพอจเจริญสติถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องแล้วานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีอุเบกขามีกำลังที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากได้ เพราะตัณหาความอยากคือเป้าหมายของการปฏิบัตินั่นเองเป้าหมายของการปฏิบัตินี้อยู่ที่การทําลายตัณหาความอยากอยู่ที่การเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายถ้ามีสมาธิจะสามารถเห็นความจริงอันนี้ได้ จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพอเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะทําลายมันได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขา จะไม่มีกําลังที่จะหยุดต้นหาความอยากได้ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลมิพานได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ความสำคัญต่อการเจริญสติเป็นอย่างมากควรเจริญตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานเตน่นขึ้นมาพอรุกขึ้นมาก็ ตั้งสติเลยจะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตั้งไว้ที่ร่างกายก็ได้ตั้งไว้ที่พุทโธก็ได้ถ้าตั้งไว้ที่พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปในขณะที่เราทำอะไรต่างๆก็บริกรรมพุทโธไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานระหว่างทำงานก็พุทโธพุทโธไปจะหยุดพุทโธก็เฉพาะช่วงที่ต้องต้องใช้ความคิดกับการงานเท่านั้น ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธต่อไปหรือถ้าจะหยุดพุโทโธก็ต้องหยุดตอนที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วถ้าใจไม่คิดอะไรใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าใจรู้เฉยๆตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้รู้เฉยๆไปให้รู้สักแต่ว่ารู้ไป ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพุโทโธแต่ถ้าเริ่มคิดปรุงแต่งไปตามอดีตก็ดีตามอนาคตก็ดีก็ต้องดึงกลับมาดึงให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราจะตั้งสติของเราที่ร่างกายก็ได้ก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถ พอเตะขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็ต้องเฝ้าต้องรู้แล้วว่ากำลังลุกกำลังยืนก็รู้แล้วว่ากำลังยืนกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกาลังอาบน้าก็รู้ว่ากาลังอาบน้ำให้อยู่กับการของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดการ กระทำของร่างกายไว้ชั่วข้าวแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความคิดคิดให้พอคิดในเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาตั้งสติอยู่ที่ร่างกายต่อไปถ้าเราสามารถที่จะมีสติอย่างต่อเนื่องเวลาที่เราไม่ต้องทาภารกิจการงานอะไรเราก็นั่งเฉยๆแล้วเราก็กาหนด สติให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ถ้าจะอยู่กับร่างกายก็ให้อยู่ที่ลมหายใจเพราตอนที่นั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก็ให้ดูที่ลมหายใจแทนลมหายใจยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังมีการหายใจเข้ามีการหายใจออกอยู่ก็ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วถ้าเกิดลมหายใจหายไปไม่มีเหลืออยู่ก็ให้รู้อยู่กับการที่ไม่มีลมหายใจให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆอย่าให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งก็ดึงกลับมาให้รู้เฉยๆแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เวลารวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่ต้องบังคับอะไรเพราะใจไม่ไปไหนแล้วถ้าเป็นคนก็เหมือนกับ นั่งอยู่เฉยๆไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องคอยเฝ้าดูเหมือนเด็กเล็กที่เราต้องคอยเฝ้าดูแต่พอเด็กนอนหลับนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันใดเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เหมือนกับเด็กนอนหลับสติก็ไม่ต้องทำหน้าที่ต่อไปก็เหลือแต่สั่์แต่ว่ารู้ไปอยู่กับความสงบไป อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะเบื่อหน่ายกับความสุขต่างๆที่ความอยากจะดึงให้ไปแสวงหาก็จะสามารถต่อต้านความอยากได้เวลาออกจากสมาธิมาเวลาจะอยากไปดูอยากจะไปฟังอะไรก็สามารถหักห้ามจิตใจได้ ยิ่งถ้ามีปัญญาสอนว่าไปทำแล้วก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการดูการฟังก็จะเป็นความสุขเดียวเดียวและเวลาที่ไม่สามารถได้ทำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าทุกขนี้เกิดจากการทำตามความอยากนั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยาก ใจที่มีความสงบมีความสุขกับความสงบ ก, ก็จะหยุดความอยากได้ต่อต้านความอยากได้สมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเจริญปัญญาต่อการทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีสมาธิแล้วถึงแม้จะมีปัญญาถึงแม้จะรู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีทำตามความอยากแล้วจะต้อง เป็นทุกข์ก็หยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะใจไม่มีความสุขนี้อยู่ในตัวเองแต่ถ้าใจมีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่แล้วความสุขที่ได้จากความสงบใจก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากการกระทําตามความอยากต่างๆก็สามารถเลิกทําได้คนที่ติดบุหรี่ก็เลิกสูบบุหรีได้คนที่ติดสุราก็เลิก ดื่มสุราได้คนที่ติดเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้คนที่ติดหญิงติดชายก็เลิกติดได้คนที่เคยติดอะไรนี้จะสามารถเลิกได้หมดเลยถ้ามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่ภายในใจดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะได้พบกับความสุขอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้อง มันจเจริญสติให้มากเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีความสุขมีอุเบกขามีกําลังที่จะต่อต้านกับความอยากต่างๆได้พอใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความอยากเราก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ พอเราไม่ทำตามความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีภพชาติที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันนี่คือแนวทางของการดำเนินของชาวพุทธเราเป็นการ รักษาหรือเป็นการสร้างหัวใจของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกไปเรื่อยๆและเป็นแนวทางของการยุติความทุกข์ต่างๆยุติการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาละไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญกับตัวท่านเอง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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเนวะสมิจจตุสัพเเปเระตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติยวิวัจันตุสัพพโรโวินสัสตุมาเตภวตวันตารายยสุขีทีขายุโกภว อาพิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตมมาารธรรมวทานติอายุวโนโอสุขังภาลางังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ เพื่อผู้อื่นจะได้ยินได้ฟังคำถามคำตอบด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเป็นการ เ, าเรียกว่าเป็นการรทมทานเป็นการแบ่งปันธรรมะให้แก่ผู้ไม่ต้องอายเพราะว่าปัญหาพวกเราปัญหาเดียวกันคือความทุกข์ใจดงนั้นขอให้เราเ ถ้าอย่างมีคำถามก็ขอความกรุณาถามตอนที่เปิดใหม่เพราะถ้าปิดใหม่แล้วก็จะไม่ตอบอเชิญถามได้นะคือผมเคยนอนอยู่ดีๆแล้วจิตมันรวมเองนะครับแล้วรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละส่วนกันแต่ผมก็ยังเป็นปุ้ดชนก็คือยังต้องทำมาหากินนี้ผมไม่รู้ผ ม, มต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อก็ถ้าคน เห็นว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันคุณก็ต้องพิจารณาว่าส่วนไหนสำคัญกว่ากันเอ็ในใจนี้มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าส่วนไหนที่ยังอยู่จะอยู่กับเราส่วนไหนที่จะไม่อยู่กับเราส่วนที่ไม่อยู่กับเราเราก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันไม่ดีกว่าเลย มาให้ความสําคัญกับส่วนที่จะอยู่กับเรารักษาส่วนที่อยู่กับเราให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าอยากจะรู้ว่ารักษาอย่างไรให้ใจเรามีความสุขก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปสิ่งที่จะทําให้ใจมีความสุขก็คือความสงบก็คือสมาธิเราก็ต้องพยายามทําสมาธิให้มากๆแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญา มารักษาความสงบที่เราได้เพราะสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้ยังมีอยู่สิ่งที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะให้ใจไม่ทุกข์อยากให้ใจเราสงบมีความสุขเราก็ต้อง พิจารณาความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่เจ็บตายหรือไม่ถ้ามันแก่ต้องแก่เจ็บตายแล้วเราห้ามมันได้หรือไม่ถ้าเราห้ามไม่ได้เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทาไ ม, ไมอยากไปก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นโทษของความอยากเราก็จะละความอยากได้ ยอมปล่อยให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายหลงข้อแล้วถ้าในทุกวันนี้เวลาเราทํามาหากินปกติอย่างนี้นะฮะแล้วไม่มีเรื่องเข้ามากระทบเราเนี่ยเหมือนว่าเราพยายามที่จะรู้ทันมันนะครับก็คือพยายามจะปงก็คือไม่คิดมากเงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติทำไหมฮนะก็ปฏิบัติส่วนหนึ่งแต่ต้องยังยังไม่ครบ ถ้ามีปัญหาเข้ามาเราต้องเข้าไปหาต้นเหตุต้นต่อของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรปัญหานี้มันก็มีเหตุอยู่สองสองส่วนด้วยกันเหตุที่ตัวปัญหาคือเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดปัญหาเช่นคนนั้นคนนี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เกิดมีความเสียหายอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่ง แต่เหตุอันนั้นมันไม่ได้เป็นเหตุสาคัญเพราะมันมีเหตุอีกอันหนึ่งก็คือเหตุภายในใจตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่ใช่อยู่ที่การกระทาของคนอื่นแต่อยู่ที่ความอยากของเราให้คนอื่นเขากระทาตามความอยากของเราเช่นอยากแม่เขาทำทำลายข้าวของทำอะไรให้เสียหายแต่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่า เราบังคับเขาได้หรือเปล่าถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องทำลายอยู่ดีถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายไม่ไปเดือดร้อนกับเขาเราก็ต้องมาทำลายเหตุที่ทำให้เราวุ่นวายก็คือความอยากของเราเองอยากให้เขาไม่มาทำลายเข้าของต่างๆทำละทาความเสียหายให้กับเราและเมื่อเราคะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุก ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาใจของเราเราก็ต้องหยุดความอยากของเราส่วนปัญหาภายนอกถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปเช่นป้องกันได้ก็ป้องกันไปอย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นได้ก็ย้ายไปแต่อย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นเองก็อย่าไปฆ่าเขาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเสียหายนั้นไปของทุกอย่างมัน มีได้มีเสียเป็นธรรมดาได้มาแล้วไม่ช้าก็เลย ม, มันก็ต้องเสียไปแต่เราไม่ต้องแต่เราจะไม่ต้องมาทุกข์กับมันเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริงก็คือที่ใจของเราถ้าใจเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรแล้วเราจะไม่เราจะไม่มีปัญหากับเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขา ทำอย่างนั้นหรือทําอย่างนี้งั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจเราเพราะเป็นต้เนเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงเพราะถ้าเราไปแก้ปัญหาข้างนอกเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอื่นตามมาอยู่ดีแก้คนนี้เปลี่ยนคนนี้ย้ายคนนี้ไปเดี๋ยวคนใหม่มามันก็มาทำให้เสียหายได้อีก mm hmm. ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ที่ใจของเราแล้วก็หมดปัญหาไปก mm hmm. าอยากจะทาอะไรก็ทาไป เราป้องกันได้ ก, ปก็ป้องกันป้องกันไม่ได้เราก็ไม่ต้องป้องกันก็ไม่ต้องไปมีมันก็แล้วกันมีใครอยากจะถามมั้ยถ้าไม่มีช่วยส่งไปทางนี้หน่อยหลงงกราบหลวงพ่อครับอาจหลวงพ่อครับเวลาที่เขาบอกว่ า, าจิตจิตถึงฐานเนี่ยาฐานของ จิตเนี่ยคือคือเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าคือจิตมันไม่บวกไม่ลบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็กเบรกขาไงสักแต่ ว, ว่าตอนนั้นทุกอย่างสงบตัวลงหมดขันขินก็ไม่ทำงานก็คืออปนาสมาธิเนีเดี๋ยวแต่จิตสักแต่ว่ารู้อยู่ตัวเดียวแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติเราเนั่งสมาธิแล้วจิตมันมันมันมันเหมือ น, นกับตกหลุมลงไปอยู่นิ่งๆนะครับหลวงพ่อครับ เราควรจะพูดโท้ไว้าาระเบาป้องกันการหลับนะฮะคือถ้ามันถ้ามันตกหลุมสมาธิมันจะตื่นมันไม่ต้องป้องกันไม่ต้องป้องกันมันจะตื่นตาตื่นใจตื่นเพราะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจเหมือนได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เหมันไม่หลับถ้ายังต้องไปงการหลับอยู่นี่ก็คือเยังไม่ยังไม่ยังไม่ึมมรจริงใช่ไหมครับอันเป็นหลุมร<น>ะวังหลับนะระวังหลับข้างหลังที่หมอ พอดีตอนแรกตั้งใจคิดว่าคิดไว้ว่าจะบวชฮะตั้งใจไว้เต็มที่แต่บังเอิญว่าภรรยามาตั้งท้องเสียก่อนนะครับมารู้ตอนหลังก็พระพุทธเจ้าได้ยินว่าได้ภรรยาได้ลูกแล้วก็บวชเลยก็ดีเลยจะอยู่ทำอะไรก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าเลยถ้าไม่ทำทาแบบพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันก็ไม่ได้ไปทางของพระพุทธเจ้า ทางงคครรออบัวขเรื่องข อ, ขของเขาอ่ะเรื่องของเราไปเราไปกังวลเรื่องครอบครัวกนหน่อยเราไม่กังวลเรื่องของเราใครจะไปเวียนว่ายตายเกิดะก็มีความทุกข์อยู่มากโหดเวอร์ตอนที่ฟังธรรมะฟังในวิทยุของหลวงตายิ่งช่วงตอนที่ว่าปฏิบัติสอนพระยิ่งขับรถฟังหน้าตาร่วงเนียเสียเสียเสียดายที่เสียดายที่ว่าทั้งใจไม่วดแล้วไม่ไบวด ทำไมไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าเนีพรพอพุทธเจ้าได้ข่าวว่าได้ลูกมาท่านว่ไปแล้วดาวหุ่นท่านอุทานออกมาแล้วบ่วงคนไม่เห็นว่าเป็นบ่วงอ่ ะ, อะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกวางเนะพอไปเห็นบ่วงของนายพานก็ไม่เข้าไปละถอยดีกว่าถ้าเข้าไปก็ติดบ่วงติดบ่วงก็ถูกเอาไปเชื่อตายเราอยากจะถูกเชื่อหรอ มันมีปัญหาอีกข้อหนึ่งกลัวว่าเขาจะไปทําแดงครับก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนเขาก็โตแล้วไม่ใช่เลยเขารู้แบบแบบบุญคุณโทษแล้วไม่ใช่เลยบัลกิเลของเรามากกว่ามันกําลังหาช่องที่จะไม่บวชก็ดีพอได้ช่องนี้แล้วสบายการนี้ก็เพียงแต่พูดให้ให้ข้อคิดเท่านั้นนะ คุณจะบวชไม่บวชนี่เราไม่ได้ไม่ได้เีไม่ได้ ไ, ได้เสียอะไรกับคุณนะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าการบวชนี่มันจะได้ประโยชน์กับคุณมากกว่าการไม่บวชเท่านั้นเองก็พยายามที่จะน้อมเอาแม่น้ำทั้งห้ามาให้คุณได้เห็นภาพเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนรอรอ รอข่าวหน้าก็ได้รอศาสนารอพระพุทธศาสนาข่าวหน้าก็ได้อีกหลายกลับอันนี้ก็เวียนไหวตายเกิดไปต่อไปเหมือนคนที่ลอยคอกลางทะเลมีคนเอาเรือมารับขึ้นกับไม่ขึ้นผมขอไหวไปเง้อไหวก็ไาวไปเขาก็ไม่ว่าอะไรมีเรือมารับแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่เป็นเหมือนเรือที่เห็นคนลอยคออยู่กลางทะเลก็สงสารอให้ขึ้นมาสิขึ้นมาบนเรือนี้จะได้ไม่ต้องจมน้ําตาย ไม่ครผมอยากจะว่ายผมอยากจะจมอยู่ในอยู่ในทะเลนี้จมก็ไม่ว่าอะเข้าใจข้าคนครับคำ <laughs> ถามต่อไปจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณเจปนโยขอข้อปฏิบัติที่จะทำลายอัตราตัวตนด้วยเจ้าค่ะ ขนาดก่อนนอนพยายามนึกบรนานุสติบ่อยๆอย่างเช่นนึกภาพตัวเองตายแต่อัตตาตัวตนก็ไม่ลดลงเลย <c oughs> ไปอุดรเพื่อกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดท่านเมตตาอยู่รอให้เรากราบไหว้เพียงแต่ท่านไม่มองหน้าเราไม่ผู้จาด้วยกลับมาบ้านยังมานั่งน้อยอกน้อยใจว่าท่านเมตตาคนอื่นมากกว่าขอพระอาจารย์ เทพทำลายกิเลสตัวนี้ให้ด้วยเจ้าค่ะ อ, อ๋อง่ายนิดเดียวก็ทำตัวให้เป็นเหมือนขอทานก็นแล้วกันเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดทำตัวเหมือนปัตถีทำตัวให้ติดดินไว้ไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นเหมือนขอทานนั่งอยู่ข้างถนนใครจะให้เงินก็รับใครไม่ให้เงินก็ไม่รับก็จะไม่เสียใจเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใคร ถ้าหวังอะไรต้องการอะไรจากใครมันก็จะทําให้เราเสียใจคําถามต่อไปจากคุณนิชาภาเมื่อใจสงบมีสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วทําไมพฤติกรรมจึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทําไมจึงมีเมตตาทําไมจึงมีความสุขสงบไม่มีความอยากได้อะไรเลยคะก็มันเป็นผลได้เกิดจากความสงบนั่นเองคําถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ พระมีโยมอุปถาเป็นผู้หญิงติดสอยห้อยตามทุกการเดินทางเหมาะสมหรือไม่ครับเลยต้องไปยุ่งกับเขามากนันะคำถามต่อไปจากคือชีวิตใหม่พระท่านหนึ่งรับประเคนสิ่งของและอาหารจากโยมผู้หญิงโดยไม่ใช้ผ้ารองรับเหมาะสมหรือไม่ครับก็ต <c oughs> <c oughs> ามธรรมเนียมเวลาพระจะรับ ของจากศรัทธาย่อมโยมที่เป็นสุภาพสตรีก็ต้องมีผ้ารองรับแต่บางท่านท่านก็จะ อ, อ้างพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มีคําสั่งคําสอนว่าแต่ต้องใช้ผ้ารองรับเพียงแต่ท่านพระไตรปิฎกหรือพระวินยัยท่านห้ามไมา่ให้แตะต้องตัวกันท่านนั้นเองที่ทางครูบาาจารย์ของ เมืองไทยของประเทศไทยเหล่านี้ท่านมีความฉลาดมีความรอบคอบท่านเห็นว่าถ้ารับของจากมือนี้บางทีอาจจะพลาดไปแตะต้องเนื้อตัวกันได้และจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ท่านก็เลยต้องการป้องกันปัญหาอันนี้ก็เลยไม่ให้รับกับมือให้ให้ใช้ผ้ารับอีกทีหนึ่งจะได้ไม่มีโอกาสที่จะแตะน้องต้องแตะเนื้อต้องตัวกันได้ในประเทศอื่น ที่เป็นพุทธศาสนเป็นพมีพระพุทธศาสนาเช่นในประเทศศรีรังกานี้ได้ยินว่าเขาก็ไม่มีธรรมเนียมที่จะใช้ผ้ารองรับเขาก็รับกับมือได้ไม่ผิดพระวินยัยแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเวลาเกิดพลาดพั้งไปแต่เนื้อต้องตัวกันขึ้นมาท่านเลยต้องการป้องกันส่วนนี้ด้วยการให้ใช้ผ้ารองรับของจากสุภาพสตรี คำถามต่อไปจากคุณอังกูนข้อแรกจิตเดิมมีไหมครับก็จิตมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนนี้ก็มีจิตจิตนี้มันก็มีอยู่มาตลอดพระพุทธเจ้าก็เคยค้นหาดูว่าจิตมีจุดเริ่มต้นหรือไม่พระองค์ก็ไม่ทรงสามารถค้นหาจุดเริ่มต้นของจิตได้จิตก็มีอยู่มาอยู่ตลอดเวลาคําว่าจิตเดิมนี้ ในความหมายของทางปฏิบัตินี้หมายถึงจิตกลับคืนสู่สภาพเดิมคือจิตที่เข้ารวมไปเป็นอัปปนาสมาธินี่เรียกว่าเป็นจิตเดิมเป็นจิตที่ปราศจากาความคิดปรุงแต่งปราศจากสัญญาความมั่นหมายรับรู้อะไรต่างๆเหลือแต่ว่าสักแต่ว่ารู้เท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตเดิม เวลาเรานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้จิตเรารวมนี้เป็นการกลับเข้าไปสู่จิตเดิมพอออกจากสมาธิมาเราก็มาสู่จิตใหม่จิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จิตที่ติดอยู่กับสมมติต่างๆเช่นติดกับชื่อกับนามกับรูปกับเสียงต่างๆติดกับลาบยศสรรเสริญอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตเดิมเป็นจิตที่เป็นอยู่ปัจจุบัน คำถามต่อไปจากคุณกบิลพัทถ้าเป็นเพศหญิงแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีใดบ้างคะก็ดูวิธีเดียวกับเพศชายนะั่นแหละเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่เพศที่วัยอยู่ที่เป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุอยู่ที่ตรงนั้นคำถามต่อไปจากคุณสุพศ ผมเป็นคนขี้เบื่อผมสามารถใช้กรรมฐาน40สลับกองไปมาเช่นเดี๋ยวใช้พุทธานุสติเดี๋ยวใช้เทวตานุสติอนาปานาสติกายคตาสติเพื่อทำให้จิตสงบได้หรือไม่การใช้กรรมฐานเพียงกองใดกองหนึ่งผมรู้สึกมันหนักเป็นการบังคับจิตเกินไปซึ่งผมรู้สึกเหนื่อยและเครียด และฟุ้งและฟุ้งซ่านมากถ้าใช้เพียงอนุสติเดียวจะใช้อันไหนก็ได้ขอให้มันได้ผลก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณกนกโพรข้อแรกคนคนหนึ่งแขนหักหนึ่งข้างขาหักสองข้างแต่ไม่ได้รักษาตัว เขานอนอยู่บนเตียงใช้มืออีกข้างดื่มเหล้าและเบียทั้งวันและเขาก็ยังเป็นคนชอบปล่อยใจไปตามผู้หญิงมากๆด้วยค่ะถ้าเขาต้องการฝึกสติและสมาธิเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็เช่นเดียวกับคนที่ไม่พิการเนี่ยนกะ็ต้องใช้กรรมฐาน40อั น, อนใดอันหนึ่งควบคุมบังคับใจจะใช้การบริการพุโทโธก็ได้ จะใช้การเจริญมรณานุสติก็ได้จะใช้การเจริญอานาปนานสติก็ได้แล้วแต่ว่าอันไหนมันเหมาะกับตนน่าทําให้เกิดผลขึ้นมาก็ให้ใช้อันนั้นไปข้อที่สองเวลาดีฉันถวายอาหารพระดิฉันจะบอกชื่ออาหารที่ดีฉันทําเพื่อให้พระฉันเยอะๆจะทําให้พระอาบัดหรือไม่คะ ก็ไม่น่าจะอาบัตตรงไหนนี่ก็ชื่ออาหารก็เป็นชื่ออาหารจะเท่าที่เท่าที่ทราบนะก็ไม่ไม่เห็นว่าจะอาบัตตรงไหนนะข้อที่สามการถวายอาหารแบบเจาะจงแด่พระเป็นอาบัตหรือไม่คะคือการถวายของนี่มีถวายแบบสองชั้นสองแบบด้วยกันถวายเฉพาะเจาะจงบุคคลกับถวายให้กับส่วนรวม ก็มีประโยชน์ต่างกันไปถวายเจาะจงก็เหมือนกับเราทํานุบํารุงบุคคลนั้นเพียงบุคคลเดียวถ้าถวายให้ส่วนรวมเช่นถวายให้กับพระทั้งวัดอย่างนี้ก็เหมือนกับเราทํานุบํารุงพระทั้งวัดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ญาติโยมถวายแบบส่วนรวมกันที่เราเรียกว่าสังฆทานสังฆแปลว่าสงสง์ก็คือพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันใน ในวัดเดียวกันนี้เรียกว่าสงฆ์ถ้าสงฆ์ขาพระรูปเดียวพระรูปอื่นก็จะอดตายก็จะไม่มีใครมาบวชวัดนั้นก็เหลืออยู่แต่พระรูปเดียวถ้าพระรูปนั้นรับมาแล้วไม่เอาไปแบ่งให้พระพระรูปอื่นวัดนั้นก็จะมีพระรูปเดียวแล้วพอพระองค์นั้นตายไปวัดนั้นก็เป็นวัดร้างไปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ศาสนาร้างจึงสอนให้ถวายสังฆทาน อย่างที่มีความเป็นมาเล่ามากันคือตอนที่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์ให้ไปโปรดญาติโยมในพระราชวังหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวทางวังก็ได้ข่าวก็เลยมานิมนต์ให้ไปโปรดพอพระองค์ไปถึงพระราชวังก็มีพระพุทธมารดาเลี้ยงที่เคยเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัยมีจิตปรารถนาที่จะถวายจีวร ที่ได้ท่งตัดเองเย็บเองถวายให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับถวายถึงสามครั้งก็ไม่ทรงรับน้กบอกว่าให้ไปถวายเป็นสังฆทานจะดีกว่าเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานได้ถึงห้าพันปีเพราะถ้าทุกคนถวายของให้แต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็จะไม่มีใครที่จะมา มีกรจิตกระใจใยที่จะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าตายไปพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปนี่คือความหมายของการถวายของเจาะ จ, จงกับถวายกับถวายบุคคลกับถวายส่วนรวมทรงให้ความสําคัญกับการถวายส่วนรวมมากกว่าการถวายส่วนบุคคล แต่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าบางกรณีก็จําเป็นจะต้องถวายเฉพาะบุคคลเช่นบุคคลนั้นไม่สบายก็ต้องถวายการรักษาถวายยาอะไรต่างๆให้กับบุคคลนั้นไม่ใช่จะถวายเป็นสังฆทานไปงั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกรณีว่าควรจะถวายในแบบไหนข้อที่สี่การถวายอาหารอย่างไรที่พระไม่ควรฉันคะ ในสมัยพุทธกาลท่านก็มีห้ามเนื้อสัตว์อยู่10บชนิดด้วยกันเช่นเป็นสัตว์ป่าทั้งนั้นเช่นเนื้อเนื้องูเนื้อเนื้อช้างเนื้อเสือเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้มีสัตว์อยู่สิบชนิดที่ท่านห้ามไม่ให้ถวายให้กับพระแล้วก็มีเนื้อสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือสัตว์บ้านอย่างเงี้ยเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าถวายเจาะจงให้กับพระนี่เช่นไปค่า เป็ดข้าไก่มาทําเป็นแกงเป็ดแกงไก่แล้วก็มาถวายพระแล้วก็บอกว่าเนะี่ยดิฉันได้ทํานี่เพื่อเพื่อหลวงพ่อโดยตรงเลยถ้าท่านทราบท่านก็รับไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติของญาติโยมที่ข่าเป็ดข่าไก่เป็นอาหารเป็นประจําอยู่แล้ววันนี้ข่าไก่ทําแกงไก่มาหม้อนเนึยงแล้วก็อยากจะทําบุญก็เลยแบ่งมาถ้วยหนึ่งมาถวายพระ อย่างนี้ถวายได้แต่อย่าไปบอกว่าทําโดยเจาะจงเพื่อหลวงพ่ออทําไม่ได้หลวงพ่อก็จะรับไม่ได้แต่ทําบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจำที่บ้านแกงไก่อยู่เรื่อยๆพอดีวันนี้มีใจอยากจะทําบุญก็เลยตักแบ่งมาถ้วยหนึ่งมาถวายหลวงพ่อถ้าอย่างนี้ก็รับได้แล้วเนื้อสัตว์ที่รับไม่ได้อีกชนิดหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์ที่สุกสุดิบดิะ เนื้อสัตว์นี่เวลาจะถวายพระนี่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเช่นเนื้อนี่ยังถ้ายังมีเลือดอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ไข่ที่ยังไม่แข็งก็ไม่ได้เช่นไขด่ดองไข่ดาวไข่ที่เขาใส่ไปในโจ๊กอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรมันต้องเป็นไข่สุกแห้งเลยถึงจะถึงจะถวายพระได้หลวงพ่อคะถ้าเกิดเรามีญาติที่นอนป่วยที่ ไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้เพราะใส่ออกซิเจนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอยู่กับญาติว่าจะปล่อยให้นอนไว้อย่างนี้หรือว่าถ้าถอดออกซิเจนก็ก็ไปอะไรเนียค่ะแล้วถ้าเกิดญาติเขาตัดสินใจให้เอาออกซิเจนออกอะคะอ่ะจะบาดไหมคะไม่บาดหรอกเพาเขาตายแล้วเน่เพียงแต่ว่าเราไปยืดอายุเขาไว้เองด้วยการนำาอ่ออกซิเจนไปใส่ให้เขาเพอเราออกเขาก็ตาย เราไม่ได้เราเพียงยุติการรักษาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการปานาติบาตไม่ได้เป็นการฆ่าแต่ถ้าเราเอามีดไปเชือดคอเขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่าอมีใครอยากจะถามถามต่อพาจารย์เหรอคะเกี่ยวกับเรื่องของการการดูจิตนะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเราเห็นว่า ใจเราเนี่ยมันมันถูกกระทบถูกอารมณ์มากระทบแล้วเนี่ยแล้วมันเริ่มมันเริ่มมีการปรุงชอบไม่ชอบเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราควรที่จะแค่กําหนดรู้แล้วดูเฉยๆว่ามันจะปรุงไปถึงไหนหรือเราควรที่จะกําหนดรู้แล้วก็แล้วก็ให้มันดับอยู่ตรงนั้นนะคะเราต้องหยุดมันเราต้องหยุดการกระทําของจิตที่จะคิดไปในทางไม่ดีให้จิตสงบไม่ให้จิตสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจ่ายให้กับเรา ค่ะถ้ามันดับไปแล้วแล้วมันก็ยังยังยังทวนกลับมาแสดงว่ามันเป็นดวงใหม่แล้วเราไปติดกับสัญญาแล้วใช่ไ้มคะคือเรื่องของกิเลสนี่มันมีหลายตัวไงตระฆ่าตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตายไปแต่ตัวที่ไม่ตายมันก็โผล่ขึ้นมาได้ค่ะเราก็ต้องฆ่ามันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีหลงเหลืออยู่แต่การฆ่าก็มีสองแบบฆ่าแบบไม่ตายกับฆ่าแบบตาย ฆ่าแบบไม่ตายก็คือฆ่าด้วยสติเพียงพอรู้ว่ามันคิดไม่ดีมันก็หยุดคิดไปอย่างนี้เรียกว่าฆ่าแบบไม่ตาย <Okay. S 2> เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้ <Okay. S 2> ถ้าจะฆ่าแบบตายนี้ต้องเข้าไปถอนรากถอนโคนมันรากโคนของกิเลส ก, ก็คือโมหะความหลงความโลภความอยากได้อะไรนี่เกิดจากความหลงคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นความสุขเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเราเห็นสิ่งที่เราโลภอยากได้เป็นเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แล้วมันก็จะไม่โลภกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ว่าบางทีก็ก็ก็เหมือนรู้ทันแต่มันมันไม่ใช่เป็นการดับที่ถาวรนะคะมันก็ยังแค่แค่รู้ว่าโอเคเกิดขึ้นแต่มันก็เวลามีเรื่องอื่นที่คล้ายๆกันมันก็ยังเกิดขึ้นมาอยู่สมมุติเรื่องนี้เรื่องอยากจะกินกาแฟถ้ารู้ว่ากินกาแฟมันเป็นทุกข์ว่าจะต้องกินอยู่เรื่อยๆ หยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้แล้วไม่กลับไปกินอีกก็แสดงว่าข้ามันตายอย่างถาวรถ้าหยุดวันนี้แล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็กลับไปกินใหม่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ข้ามันอย่างถาวรยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ค่ะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีสติมากๆเนี่ยแสดงว่าเราควรที่จะตัดได้ได้เร็วมากๆใช่ไหมคะมัคือกระทบปับ๊บอาจจะดับเลยหรือมันหยุดได้ชั่วคราวเท่าน้นสติเหมือนแตะเบรกค่ะ แต่พอเราถอนเบรคพอเราเผลอปั๊บมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยาวให้มันไม่กลับมาเลยต้องใช้ปัญญาต้องเห็นใจรักณ์ในสิ่งที่มันอยากได้แล้วมันก็จะได้ไม่ไปทําสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ปัญญาที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่เกิดจากการคิดใช่ไหยครก็ญญต้องคิดก่อนไงก็ต้องคิดก่อนเช่นเราอยากอะไรเราเช่นอยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นอเราก็ต้องพิจารณาว่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่า สั่งก็ได้เสมอไปหรือเปล่าเอเขาเป็นคนที่เราสามารถสั่งได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเป็นอนัตตาใช่หไหมเขาเป็นอ น, นิจจังคือบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งได้เราก็สุขใจ <c oughs> เวลาสั่งไม่ได้เราก็ทุกข์ใจเดี๋ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องไม่ไปอยากอยากไปสั่งเขาปล่อยเขาไปเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปเออ ถ้าถ้าตามประสบการณ์เนี่ยค่ะพระอาจารย์เคยเคยมีครั้งหนึ่งก็คือว่ามารู้ว่าการที่การที่เราพยายามทําให้เจ้านายพอใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอัตราของเราเองอะค่ะก็ความาอยากของเราไงเราอยากให้พอใจเราเพราะคนที่เขาพอใจเราก็จะได้เมตตากับเราใช่ไห ม, มทีนี้บางทีเราทําให้ก็พอใจได้ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ได้ค่ะ ไม่ได้แล้วเราจะไปทุกใจทำไมแต่แต่เคยเห็นว่าพอพอรู้ว่ามันเป็นอัตราของเราเองแล้วเราก็ก็รู้สึกว่าเราทําดีที่สุดได้แค่นี้แล้วมันก็ก็สบายใจลงนะคะอแล้วก็ก็หยุดไปตรงนั้นก็หยุดความอยากไปหยุดความอยากให้ก็พอใจค่ะเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปอทําให้ดีที่สุดเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเราอย่าไปอยากค่ะก็คงคงต้องดับที่ว่าเราทําสุดแล้วเอแล้วก็อยู่ที่ความอยากของเราเราอย่าไปอยากได้ผล จากการกระทําของเรานั่นก็หมายความว่าเราก็อาจจะตัดไปไปภาวะหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงขั้นถอนรากถอนโคนใช่ไหคะถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเราก็ถอนรากถอนโคนเขาจะพอใจไม่พอใจเขาจะจ้างเราหรือไม่จ้างเราเราไม่หวัน่นไหวเราก็ถอนรากถอนโคนอพร า, าเรานับได้ทุกรูปแบบพูดอย่านี้ค่ะค่ะพระอาจารย์สุดท้ายของหนูค่ะก็คือว่าหนูพยายามปฏิบัต ในรูปแบบอยู่ทุกๆวันนะคะแต่ทีนี้ก็คือว่ามันก็มีบางวันที่ดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่มันคือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของสติของเรานั่นแหละถ้าสติเราดีมันก็จะสงบง่ายและวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของเรากับภาวะแวดล้อมด้วย <Okay. S 2> ถ้าเรื่องมากมันก็สงบยากถ้าเรื่องน้อยมันก็สงบง่าย หรือภาวะจิตของเราอยู่ในช่วงที่มันอยู่ในภาวะของความสงบมันก็สงบง่ายงั้นเราก็ต้องดูว่ามันเป็นอนิจจังไปก็แล้วกันอยากไปอยากให้มันเหมือนกันทุกวันแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์แล้วแล้วโอกาสที่มันจะเกิดเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันคือเอไม่สามารถที่จะกําหนดอะไรได้ใช่ไหมคะถึงจังหวะเขาก็มาของเขาเองมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในบางอย่างแล้วในบางอย่างก็เห็นว่าเรากำหนดได้สิ่งที่เรากำหนดได้เราก็ทำไปเช่นสตินี่เป็นตัวที่เรากำหนดได้ถ้าเรากำหนดสติได้สร้างสติขึ้นมาได้ผลที่เราต้องการมันก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสติเราก็ห้ามไม่ได้เช่น <look. S 2> เรื่องของคนอื่น เ, นเราจะไปห้ามเขาหรือไปกาหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดี แต่จิตของเรานี่เราสามารถกำหนดให้มันดีได้ถ้ามันมีสติอันนี้ต่างกันตรงนี้อะอมีใครอยากจะถามอีกอาจารย์ครับเวลาที่เรานั่งสมาธิใช้อนาปานสติเวลาเรานั่งจนเมื่อยแล้วเราจะเปลี่ยนอริยบทไปเดินจงกรมนี่ ให้เอาสติตั้งไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมหรือว่าให้อยู่ที่เท้าที่เคลื่อนไหวครับอาจารย์อันไหนที่มันสะดวกกว่ามันง่ายกว่าก็อันั้นปกติถ้าเดินแล้วนี่ดูลมมันยากเพราะล ม, มะละเอียดครับดูเท้ามันง่ายกว่าเราก็ใช้เท้าไปเฝ้าดูกันย่างเท้าไปครั บ, รบมีใครอยากจะถามอีกไหมนับหนึ่งสองสามนะเนี่ย ถ้าไม่มีก็อามีถ้าหน่อยอค่ะนางก็การพันการค่ะคืออยากจะถามว่าเวลาสมมติว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วจิตเราไปจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งอะค่ะแล้วนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเราปฏิบัติถูกไหมคะถูกถ้าจิตนิ่งก็ถูกค่ะคือโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่ไปจ่ออยู่ที่จุดที่เราเพ่งอยู่อ่ะค่ะได้ไดใช่ไหมคะ ขอให้จิตมันนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็มีความสุขอยู่ในความสงบนั้นก็ใช่ได้แต่มันมีความนิ่งหลายระดับด้วยกันนิ่งแบบยังผิวเผินก็มีนิ่งแบบลึกก็มีก็ขอให้พยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับนิ่งแบบลึกๆแล้วจะมีความสุขมากแล้วก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ถ้าเรายัางต้องอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอยู่ก็แสดงว่าเรายัางมีความสุขน้อยมีความนิ่งอยู่ภายในใจเราน้อยก็ขอให้ทำให้มากๆถ้ามันมีมากแล้วต่อไปมันไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งสิ่งเื่นมาให้ความสุขกับเราพรอาจารย์ครับขอถามอีกรอบหนึ่งครับแล้วเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วเมื่อเกิดความเบาแล้วนี่ เราควรที่จะกําหนดดูลมต่อไปหรือให้กําหนดที่ความเบาเลยครับพระอาจารย์ถ้าดูลมได้อยู่ก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆอย่าเปลี่ยนที่ดูลมไปอย่างเดียว ค, ความเบาความสว่างความอะไรนี้อย่าไปสนใจก็รเดียวมันหายได้ครับแต่ลมมันจะไม่หายถ้ามันหายก็แสดงว่าจิตบัรจารวมครับให้เกาะติดอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวครับอหมดแล้วนะ